ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกาลังนำเสนอประวัติของพระอนุรุทธาเทระในเทระคาถาวันก่อนได้พูดมาถึงช่วงที่ท่านล่าว่า กุศลกรรมซึ่งเป็นไปในฝักฝ่ายแห่งธรรมเครื่องสัตรู้เหล่านี้ย่อมมีแก่พิกษุนั้นทางพระสมาสมุทัเจ้าผู้ทรงสแสวงหาคุณัหญายก็ได้สัตว์ว่าพิกษุนั้นเป็นผู้หาอาสวะไม่ได้พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมได้ทรงทราบความรำบริของเราแล้วสเสด็จเข้ามาเราด้วยมโนมยิทธิทางกาย คือหมายความว่าเป็นการมารวฤท ธ, ธิ์ที่สาเร็จด้วยใจก็เป็นรูปเป็นกายทิบแต่ว่าปรากฏเหมือนกับกายจริงเพียงแต่ว่าไปเร็วมาเร็วเกลันตระธานจะที่หนึ่งไปปรากฏในที่หนึ่งโดยไม่จำกัดเงื่อนไขความยาวของสถานที่นั้น ก็คล้ายๆกับเทวดาที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าพอเสร็จก็อันตรธานไปในเวลาที่รวดเร็วข้อต่อไปท่านกล่าวว่าเมื่อใดความดำริได้มีแก่เราเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าทรงทราบความดำริของเราแล้วได้เสด็จมาหาเราด้วยพระฤทษิ์และทรงแสดงธรรมอันยิ่งแก่เรา พูเจ้าผู้ทรงยินดีในธรรมที่ปราศจากความเนื่นช้าแต่ทรงแสดงธรรมที่ไม่ทำให้เนื่นช้าแก่เราก็มีอยู่สองสามประเด็นฮะประเด็นแรกก็คือทูเจ้าทรงตรวจสอบสัตว์โลกทั้งหลายตลอดรอนใกล้รุ่งของทุกทุกขื้น ใครปรากฏในข่ายพยานพระองค์ก็ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคนเหล่านั้นภูมิหลังของคนเหล่านั้นวัสนาบา ร, รมีของคนหล่านั้นแล้วเสด็จไปปลุกแต่ในขณะเดียวกันก็สำหรับพระสาวกนั้นจะมองไปรอบๆด้านรอบทุกทิศทุ ก, ท, กทางเวลานี่ใคร พูดอะไรใครทําอะไรใครคิดอะไรแล้วความคิดเหล่านั้นมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาถ้าไม่มีปัญหาก็ปล่อยไปหรือมีปัญหาแต่ยังไม่ถึงเวลาอุปนิสัยบา ร, รมีของภิกษุรูปนั้นยังไม่แก่กล้าพอก็ต้องรอเวลาไปก่อนรอความพร้อมของท่านเหล่านั้น แต่คนใดที่มีอุปนิสัยบารมีแก่กล้าเพียงแต่มันสะดุดกือไปติดอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งพระเจ้าก็เสด็จไปด้วยฤทธิ์โดยไม่ได้จำกัดสถานที่นะฮะว่าจะห่างไกลจากที่ประทับเท่าไหร่ก่อนอันตรธานปรับจากที่นั้นก็ไปปรากฏในที่หนึ่งมเมื่อเสร็จภารกิจก็อันตรธานไป เป็นการรับรู้กันทั่วไปในหมู่ภิกษุทั้งหลายล้วก็ถือร่าถือว่าเป็นเรื่องปกติก็คล้ายๆกับนกที่มันบินไปในอากาศเห็นเพื่อนบินมันก็ไม่เห็นเรื่องแปลกอะไรเพราะมันก็บินได้เหมือนกันแต่น ก, กอาจจะสงสัยว่าสัตว์บางชนิดทำไมถึงบินไม่ได้เราก็ไม่รู้ความคิดนะฮะ แต่บังกอนได้ดูสารคดีเรื่องหนึง่งเือญี่ปุ่นเ็าแสดงให้เห็นว่าลิงนั้น <c oughs> มันกลัวเตา่าไม่ว่าใครจะดึงยังไงก็ตามมันไม่กล้าเข้าใกล้เ ต, าต่าเพราะในชีวิตของมันมันไม่เคยเห็นสัตว์ที่ไม่มีคนเพร้นเตา่าไม่มีคนก็กลัว แล้วเขาก็บอกว่ามันกลัวที่ไม่มีคนแล้วเขาก็หนังสัตว์เนี่ยมาหุ้มคือหนังที่มีค น, นมาหุ้มไว้ปรากฏว่าลิงก็เดินไปเขี่ยเล่ น, นทาทางที่ตอนไม่มีหนังสัตว์คลุมแกกลัวแต่ว่าตอนหนังสัตว์คลุมอยู่แกก็ถือว่าเป็นพวกเดียวกับแกแกก็ไม่กลัว ความกลัวนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่รู้ซึ่งก็เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรประการต่อไปคือทำที่เป็นเหตุในเนิ่นชา้า mm. ก็มีมีในสองชี้ทำที่เป็นเหตุในเนิ่นชา้าแก่ใครก็ตามนะฮะหมายความว่า คนทุกคนนั้นแหละมันจะทำให้มีทมเป็นเครื่องเนิ่นช้ามันจะยุดติดอยู่ในเรื่องเ่านั้นเราจะเห็นว่าจิตใจของใครก็ตามที่ผูกพันในคนในสัตว์ในสิ่งว่าเป็นของเราก็จะมีความหวงความห่วงความสินเยหาอะไรความเยื่อใยความผูกพัน ไม่กล้าที่จะสละละทิ้งสิ่งเดียดนั้นไปเดี๋ยวก็ไม่ยอมที่จะสละละทิ้งมันเกิจกดจากจิตที่มีตัณหาในเรื่องเหล่านั้นจิตมันริตรนทะเยอทะยานอยากหลอนสังเกตดูง่ายๆนะฮะว่าคนที่มีฐานะมัง่งคั่งร่ำรวยนั้นจะไปไหนมาไหนต้องคิดแล้วคิดอีก เพราทิ้งบ้านเอาไว้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่บางคนที่ไม่มีอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีของเราที่น่าห่วงใหญ่มีค่ามีราคาที่โจรจะมาลักขโมยได้ของก็ปิดประตูแล้วก็ไปได้เลยตัดสินใจไปได้เลย อีกอย่างนึงคือความรู้สึกว่าเราเป็นนั้นเป็นนี้เป็นโน้นยิ่งเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นใหญ่เท่าไหรเ่เราจะเนิ่นชาเท่านั้นมีการเตรียมการกันด้วยประการต่างๆทั้งหลายวันมีตารางมีกําหนดการมีรายละเอียดเดยอะแยะไปเลยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละข่ายแต่ละข่าย ไปถึงตรงนั้นแล้วใครจะอยู่ตรงไหนใครจะทำอะไรใครจะเีเกี่ยวข้องกับใครต้องเตรียมนวัวเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันมากถ้าเราเทียบแล้วทานองการเสด็จไปไหนมาไหนของประมุขของประเทศจะเป็นประธานาธิบดีก็ได้จะเป็นระแผ่นดินก็ได้หรือจะเป็นประมุขที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นก็ได้ คนนี้มีกําหนดการลูกหน้าเป็นปีๆเตรียมวางแผนเตรียมคนเตรียมรายละเอียดเตรียมศึกษาข้อมูลในด้านต่างๆเตรียมเรื่องที่จะไปถกไปคุยไปพิปรายกันแล้วก็ต้องไปเสื้อผ้าตรงนั้นจะแต่งยังไงตรงนี้จะแต่งยังไงตรงนั้นจะแต่งยังไงตรงนั้นจะให้ของขวัญอะไรตรงนี้จะให้ของขวัญอะไรอูมันเยอะมาก เเรียกว่าเหมือนกับประราชาสเสด็จต้องเตรียมพร้อมเยอะหรือว่าสหรัฐอเมริกาสมัยประชุมเอ เ, เดี๋ยวลองสังเกตว่าจีนอเมริการัเสเซียเนี่ยเตรียมตัวชามากแล้วก็มาด้วยเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็มีรถหุ้มกระ ส, สุน มาขับในประเทศไทยเองไม่ยอมนั่งรถที่ทางรัฐบาลเตรียมรับเอาไว้วันมาหน้าว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคนเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะแล้วบางทีบางคราวไปปฏิบัติอะไรที่ราษฎรในประเทศของเขารู้สึกว่าผู้นำาขาตัวเองจะด้อยไป ก็จะแสดงอาการไม่พอใจเช่นประธานาธิบดีบารักโอบามาพอดีตัวท่านสูงอ่ะสูงแบบฝรัง่งจากกษัตริญี่ปุ่นนั้นพระองค์ท่านเตีย้ยและธรรมเนียมของเขาญี่ปุ่นก็คือโค้งคำนับ่คนเตีย้ยมันก็ดูว่าไม่โค้งมากอ่ะ แต่คนสูงผอมอย่างออบามาเนี่ยปกค้งไปกายมันก็คลอมไปมากถ้าเทียบคลสูงเท่ากันก็คือปกตินั่นแหละปรากฏวราสื่อสารมวลชนทางอเมริกาท้วงติงกันเยอะเป็นทํานองคล้ายๆกัยอมจํานวนยอมสยบยอมอ่อนน้อมเสียศักดิ์ศรีของคนอเมริกา ประสบก็ต้องออกชี้แจงอธิบายกันเป็นวักเป็นเวรถึง เ, เกิดความเข้าใจอีกประการหนึ่งคือเรื่องทิฏฐิเรื่องทิฏฐิที่ทําให้เดินช้าหมายความมาถ้าเรายังเห็นเป็นอัตตาตัวตนอยู่แล้วอัตตาตัวตนนั้นจะเครืองด้วยอํานาจมานะด้วยอํานาจของตัณหา รวมแล้วก็สามอย่างนะตัณหามานะทิชชี่เขาเรียกกาหะคือสิ่งที่เรายึดถือผูกพันเอาไว้ลองสังเกตว่าแม้คนที่ยอมจำนนต่อพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อในพระพุทธคุณในเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าแต่เพราะมานะท่านมากทิชชี่ท่านมาก ท่านไม่ยอมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าอดมาเฝ้าก็ส่งลูกศิษย์ไปให้ถามปาัญหานันคือพรามภาวรีทีต่ตั้งอามอยู่แถวแม่น้ำโคทาวรีแต่เขาวิ น, นไทยแล้วก็หมายความมาตัวเนี่ยรั้งเอาไว้ก็คือทิฏฐิยันเดียว มีคนเป็นจํานวนมากคณาจารย์เจ้าละชิที่มีอยู่ก่อนพุทธกาลระยะหลังๆเมื่อผลงานของพระพุทธเจ้าปรากฏเด่นชัดว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์ตามนิย่ของพระพุทธคุณจริงแต่ก็ไม่มีใครสละละละทิ้งตัวเองมายอมรับเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า มีคณาจารย์รองรองลงมานะเช่นอักขิทัตปุโรหิตก็ดีพรามภาวรีก็ดีแต่ตัวใหญ่ๆเนี่ยคือปรุรนาัสปะมัคลิโคสารสันชยัยเวรัฐบุตปรปะกุท ธ, ธกัจจยนะอาชิตเกษกรรมพลนิโครณนาธบุตรเนี่ยไม่ยอมมาคว้าพระพุทธเจ้าเลยก็ตายไปอย่างสามัญชน ในขณะที่คนซึ่งเป็นลูกสิธิ์มาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นภรยาบุคคลไปแล้วบางคนเนีแสดงปมเขื่อให้เห็นคือรู้สึกมานะว่าเราเป็นอาจารย์ของลุกสิธิ์จำนวนมากการจะยอมจำนวนเป็นลูกสิธิ์ของคนอื่อนนั้น เหมือนกระจับจระเข้มาขังไว้ในตุ่มมันกระดิกกระเดียดไม่ได้จะสัญชัยปริิพาชคซึ่งเป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะแต่ก่อนเนี่ยก็อยู่ในฐานะอย่างนั้นเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นเครื่องให้เดิ่นช้าแต่ถ้าเรามาดูประวัติของพระอนุรุตตอนเป็นราชกุ ม, มารในสักยวงศ์ พอท่านทัดสินพระไทยจะเสด็จออกผนวดเนี่ยมานะทิฏฐิทันลดทัานหาท่านลดเลยตระหนในสุขสมบัติของพระราชกุมารเนี่ยลดแล้วมานะที่ว่าเราเป็นพระราชกุมารก็ลดอัตาตัวตนที่รู้สึกว่าเราใหญ่เราโตเราเคืองเราเหนือกว่าเขาเราเสมอเขา ก็ลดลงไปแต่นั้นที่เคยเล่าไว้ตอนบวชอ่ะคือราชกุมารทั้งหกนั้นปล่อยให้อุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้เป็นในช่างการระบบก็คือช่างตัดผมของราชกุมารบวชก่อนแล้วตัวเองก็กราบแสดงความนอบน้อมต่อพระอุบาลีซึ่งบวชเสร็จแล้ว ปฏิบัติตนเมือก็ลุกสิษิ์เพื่ออะไรเพื่อลดมานะเพื่อลดชิตชของตัวเองลงไปแล้วในที่สุดราชกุมารทั้งหมดยกเ ว, วก้นเทวทัตก็บรรลุ ป, ปรากเป็นพระหรันพระอุบดีก็เป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระหรันร ะ, ห ร, ระดับสําคัญเสนด้วยระดับนำเส่นด้วยปัญหา มานะทิชชินี่เขาเรียกว่าเป็นปัปปัญจะทำคือธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเหนียวรั้งเอาไว้จะทำอะไรจะไปไหนนี่ลำบากไปหมดเลยบางทีตัวเองจะไปเนี่ยกลัวเขาจะต้อนรับไม่ถูกต้องก็ขนเครื่องเตรียมต้อนรับไปเลย คนอาสนะคนหมอนอิงคนอะไรคนอะไรไปนายดูนะนนมันแบกขันแต่ขันมันเคืง่งขันมันใหญ่ก็เลยก็เป็นภาร ะ, ระคือเป็นความหนักของท่านผู้นันดังนั้นทาเป็นเครื่องเดินช้าได้ปราศจากไปคือได้หมดไป ภายในใจของพระนรุตเถระพระอานสัยพระพุทธเจ้าย้ำเตือนซ้ำซๆำซักซั ก, ซกเราก็จะสังเกตเห็นนะฮะว่าพวกพราหมณ์พวกกษัตริย์ซึ่งถือว่ามีมานะทิฏฐิจัดแน่นอนท่านบวชเนี่ยก็แสดงวาตนาหาท่านลดแหละแต่มานะทิฏฐิเนี่ยไม่แน่ว่าลดอยู่ในเกณฑ์นิช่างงานได้หรือไม่ หราจึงพบ ก, การจำจีตจำชัยของพระพุทธเจ้าต่อบุคคลเรานั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคือราชวงศ์สักยะนี่ถือว่าตัวเองสืบเชื้อสายมาจากพระราชิตเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์คือกษัตริย์ที่เหนือกษัตริย์ทั้งหลายอย่างพระมหากษะสปะก็เป็นพระมหาสารแม้ท่านจะบวชอุทิ ต่อพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ยังไม่รู้ว่าพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วหรือยังแต่ก็มีความเชื่อลึกๆไปในใจของท่านบอกพระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเพียงแต่ว่าอยู่ที่ไหนเท่านั้นก็บวชรุฒิแต่งชุดเป็นภิกษุไปเลยแล้วก็เดิน ก็ตรงไปคนละแยกทางกับพัญญาของตัวเองตอนนั้นภิกษุณียังไม่เกิดพระเจ้ากเสเดจมารอรับอยู่ข้างทางพอท่านเห็นป้าท่านตัดสินใจเลยวันนี้คือพระพุทธเจ้าแต่ท่านบวชมาแล้วพอพุะเจ้าก็ประทาน อ, อว่า ประธานอบานั้นจะเกี่ยวข้องกับเป็นการลดปะพันจะทมที่ชัดเจนทุกรกัสัปะเธอพึงสำเนียกศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างกายคือกายกตาสติมีสติให้เป็นไปในร่างกายว่าเป็นที่ประชุมแห่งสากศพทั้งหลายมีผงขนเป็นต้นเนี่ย เป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเบื่อหน่ายเป็นของที่น่ารังเกียจแล้วเวลาฟังธรรมมันใดก็จะตั้งใจฟังธรรมนั้นจะเงี่ยวหูความหูครูลงฟังธรรมและพิจารณาข้อความแห่งธรรมนั้นต่อท่านก็เป็นพรามอายุค่อนข้างมากก็ต้องตั้งสติหน่อยตั้งปัญญาหน่อยแล้วก็ แสดงความอดน้อมต่อผู้ที่บวชก่อนต่อเพื่อนภิกษุด้วยกันนะจะบวชก่อนหรือจะบวชใกล้เคียงกันหรือจะบวชทีหลังหมายความไม่อน้อมระหว่างกันเลยกันมันก็เป็นการลดตัวมานะตัวทิพชีของตัวเองลงไป ป, ปัจจัยธรรมก็ลดนะท่านก็บําเพ็ญเพียรเพ่ง เจ็ดแปดวันท่านก็บรรลุมรคผลเป็นพระหันแล้วคนพวกนี้มันจึงทำให้เดินชา้าสูญเสียเวลาไปเยอะคนเราก็ยึดติดอยู่ในตรงนี้สูญเสียเวลาไปเยอะบางครั้งมันติดข้ามพกพข้าชาติแลวมีเรื่องราวที่ปรากฏในพวกอัตกถาบ้างในปตัยบิดกบ้าง เล่าถึงคนที่มีฐานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมั่งคั่งร่ำรวยเป็นประราชบ้างเป็นเศรษฐีบ้างเป็นพราหมณ์บ้างมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยมากไอ้ตันหายาหานี่การยึดมัน่นโวยหน้ากันตันหาว่าของเราของเราของเราของเราเนี่ยมันมีอยู่เยอะ ตายแล้วใจก็ผูกพันกับไอ้สิ่งที่ท่านไปคิดว่ามันเป็นของเราด้วยอำนาจของตันหาเนี่ยทำให้ท่านเกิดตายไปเกิดเป็นเปรตที่เราเรียกปู่โสมความซั์ที่เยอะมากนะฮะเยอะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องที่ท่านรวบรวมไว้ในเรื่องนายพรานคืนศีนี่เยอะมากเป็นงูเหลือมบ้างเป็นสัตว์ต่างๆบ้าง ใครเข้าไปใกล้ตรงนั้นไม่ได้ก็หวงทางทางที่ตัวเองทำอะไรไม่ได้เศรษฐีบางคนอย่างอนันตเศษฐีเนี่ยก็พ่อของอนันตเศษฐีก็ไปเกิดเป็นลูกของคนจันทาน แล้วก็ไปเฝ้าเฝ้าทรัพย์สมบัติอยู่บางทีในเรื่องไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องฮะมันมีอยู่สองเรื่องแต่ที่จริงก็หลายเรื่องแหละแต่ว่าสองเรื่องเนี่ยมันคุณคูนกันภิกษุรูปหนึ่งท่านปลูกอ้อยเอาไว้ข้างกุฏิ ตามปกติแล้วอ้อยถ้ัรวปลูกเองนี่เราฉันไม่ได้นะเราฉันไม่ได้คนพระจึงไม่ปลูกพืช ด, ด้วยมือของตัวเองจะใช้เด็กสั่งเด็กก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสั่งด้วยเขาเรียกว่าสัมมาโบหารหรือกับปิยยโวหารว่าให้พิจารณาตรงนี้หน่อยตรงนั้นหน่อยตรงโน้นหน่อ ย, นนอยก็แล้วแต่เด็กก็ต้องเข้าใจหมายความมันยังไงคําว่าพิจารณา บางทีเด็กปัจจุบันเนี่ยไม่เข้าใจนฮะแม้แต่คำว่าของนี่บางทีแก่ก็ไม่เข้าใจเหนว่าไปที่ไหนญาติโยมก็ถวายของเป็นถุงมาเป็นถุงมาเป็นกล่องมาหรือห่อกระดาษปราสติกมาหรือใส่ถังต่างๆมาเนี่ยพระรวมเรียกว่าของ ก็เด็กไปลของมาไปหยิบๆยิบของมาหรือถือของไปด้วยแกไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงที่เราห่างเหินการอบรมการชี้แนะการบอกกล่าวก็ทาให้เด็กไม่เข้าใจเวลาพระใช้ก็พูดอะไรชัดชดไม่ได้พระรูปนั้นพออ้อยมันโตเต็มที่ที่เรียกว่ากำลังหน้ารับประทาน ท่านก็น อ, ป น, อนป่วยอยู่ใกล้ๆครับกออ้อ ย, ยมันนึก อ, อยากจะรับประทานคนป่วยมันก็หิวยุ่งไปอย่างนั้นเองพอดีท่านตายฮนะไปเกิดเป็นนอนอยู่ในอ้อยตั้งหลายวันจนกว่าจะจุติใหม่แล้วไปไปสนชีใหม่นั่นก็คือมันช้าเพราะตัณหา ตัณหาในความหวานของน้ำอ้อยสนนิ่นงพิสุรูปหนึ่งก็จีวรขาดก็เพื่อนก็มาช่วยกันเย็บพี่สาวของท่านก็เป็นเจ้าภาพหาภาพมาถวายน้องชายพระก็ช่วยกันตัดช่วยกันเย็บช่วยกันย้อมก็เสร็จเรียบร้อย พี่สาวก็เลี้ยงพระตาหารถวายพระน้องชายก็ฉลองศรัท ธ, ธาพี่สาวเต็มที่เลยจยัดมากจนอาหารไม่ย่อยป่วยคิดถึงผ้าที่เย็บใหม่เสร็จใหม่ๆยังไม่ได้ น, นุ่งห่มเลยก็เสียดายผูกพันอะไรอยู่กับผ้าผืนเดียวนะ แล้วในสุดตายไปเกิดเป็นเลนอยู่ในผ้าคือของในลักษณะนี้เวลาเจ้าของก็ตายไปเก็บิไยกำหนดให้ถ้ามีภิกษุอุปถากก็ให้ภิกษุอุปถากแต่ถ้าท่านไม่มีภิกษุอุปถากเพื่อนสัประม า, ารีเหล่านั้นนะ่ะเอาไปแบ่งกัน ทีนี้ผ้าผืนเดียวมันก็แบ่งแบ่งไม่ได้ก็คิดจะตัดเป็นผ้าเช็ดปากเนี่ยผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดปากเนี่ยก็หืนเล็กๆปรากฏว่าพอเริ่มจะตัดตนั่นเองเลนวิ่งว่อนห้ามไม่ให้ตัดเสียดายของผู้เจ้าส่งได้ยินด้วยที่ประจักษ์สุตรยที่ประกันก็รับสั่งเรียกพิสุไป บอกอย่ไปแบ่งเจ้าของก็หวงอยู่ประเดี๋ยวจะเกิดโปรธในภิกษุตายไปก็จะลำบากเล่นอายุไม่ยาวนะก็ถึงจุดหนึ่งก็ตายไปโดยจิตใจที่สงบก็สงบแบบเลนโดยบุญกุศลที่บวชเป็นภิกษุนี่ทำให้บังเกิดในสุขติอันนี้ทั้งหมดเนี่เป็นเรื่องของปะปัญจะทมทางนั้น ก็ต่อไปถ้ากล่าวว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมของพระองค์แล้วเป็นผู้ยินดีในศาสนาคือหมายความว่าการที่บรรลุถึงธรรมเนี่ยแน่นอนต้องยินดีในศาสนาแต่ยินดีในเรื่องอื่นไม่ได้ยินดีในศาสนามากเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าธรรมะ ม, มันสูงขึ้นเท่านั้นถ้ายินดีในการศึกษายินดีในการปฏิบัติยินดีในการสัมผัสผลยินดีในการเผยแผ่ ยินดีที่จะรับผิดชอบพระาศาสนานะฮะนี้ข้อแม้ว่าเมื่อจิตไปถึงตรงนั้นการสนักในภารกิจที่จะต้องมีต่อาศาสนานั้นจะต้องครบมาทั้งห้าประการคือการศึกษาการปฏิบัติการสัมผัสผลการเผยแผ่การดูแลรักษ า, าศาสนาการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดังนั้น เมื่อพระอนุท่านบนรรลุมรรคผลเป็นพระอระหันต์แตก็ต้องยินดีสุดๆและในพระศาสนานแล้วก็ไม่มีทางที่จะหลาสิกขาพระอระหันต์นั้นก็ถือว่าจบการศึกแล้วเลิกพูดเรื่องการศึกแม้เขามาบังคับคุมขู่อบปืนมาจอศีรษะบอกให้ศึก่านก็ไม่ศึกก็ เราบรรลุวิชาสามแล้วโดยลำดับวิชาสามกับวิชาแปดเนี่ยก็ผสมกันเนี่ยวิชาสามกับปิญญาหกรวมแล้วเป็นเก้านะฮะปิญญาหกกับวิชาสามรวมแล้วก็เป็นเก้าแต่บางอย่างมันก็ซ้ำกันก็พูดถึง อย่าเป็นวิชามันก็มีแปอย่างแต่ตอนนี้ท่านพูดวิชาสามก็เรียกว่าเตชะวิชาคือบรรุวิชาสามก็คือหนึ่งปุเพนวานสารตุญาณระลึกชาติย้อนหลังไปในอดีตการได้นานไกลน่าไม่ใช่นับเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะนับเป็นกลับกับกันกันกันทีเดียวก็เรียกว่านับไม่หวาดไม่ไหวอะ แต่บางข้อที่น่าสังเกตนะในยะเ้าเรียกว่าอัดแห่งแห่งแห่งปุงเพนวัสสัญเนี่ยมันก็มากลายเป็นพวกชาดกทั้งหลายนะฮะมากลายเป็นพวกเ ท, ร, กาาท ร, าาระคาถาเทดีคาถาอปาทานพุทธวงศ์เนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องอดีตลิบล้นพ้นจะพรรณนาได้แต่เราก็ไม่เห็นสังคมมันมีลักษณะเดียวกับที่นักโบราณคดีเขาพูด ทั้งก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขคนมีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองมีการศึกษาธรรมมีการปฏิบัติธรรมมีการบรรลุธรรมมีพระพุทธเจ้ามีอะไรดีๆเยอะนะมีเศรษฐีมีมหาเศรษฐีนะมีพระราชาที่ทรงธทำอะไรๆต่างๆเนี่ยมันมีแต่สิ่งดีงามทางทางที่เวลามันล่วงเลยมาเป็นกาเป็นกรรมเป็นกาเป็นกัน แน่นอนเรื่องเหล่านี้ก็ต้องศึกษาต่อไปเพราะความรู้ที่พระอรหันท่านรู้นั้นเป็นการรู้ด้วยญาณแต่นักวิชาการนั้นก็ศึกษานักโบราณคดีก็ศึกษาจากวัตถุโบราณทตนี้วัตถุเนี่ยมันก็เสื่อมสลายไปเราก็ไม่มีวัตถุอะไรที่ยืนยันว่าอายุมันสองโกดสามโกดสี่กับอะไรแต่ไทยต่างๆเนี่ยไอ้กับกันน้มันเลิกนับแ้ว นับได้ก็อย่างมากก็เป็นล้านปีก็ไม่เกินสัก5 6หกล้านปีก็หมดแล้ววัตถุเห่านั้นแต่ที่นิยานเนี่ยมันอย่างรู้เรื่องราวในอนดีตแล้วก็ไม่มีความจาเป็นอะไรที่จะไปโกหกเพราะว่าจิตใจท่านบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่รู้เห็นตามความเป็นจริงยังไงท่านก็นา ม, มาชี้แจงมาแสดงมาทิบายอย่างนั้น มาเล่าอย่างนั้นแล้วถ้าให้รทหารรูปบืนเล่านักก็เล่าอย่างนั้นนะคือเล่าอย่างหย่นไม่ได้มันใกล้ยๆกับเราเรียบเรียงหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อความมันก็สอดคล้องกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่เหมือนกับทุกตัวอักษรเพราะตามปกติแล้วเราก็ไม่ค่อยคัดลอกนอกจากตัวสําคัญ เช่น ส, สื่อเสียงเรียงนามาคารสถานที่วันเวลาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันก็ตรตงกันแต่ว่าการเรียบเรียงรวบรวมเรียบเรียงนั้นบางท่านก็อ่านหลายรอบแล้วก็เรียบเรียงโดยการจัดระเบียบของค่อยคําให้มันรู้สึกว่าง่ายต่อการทําความเข้าใจ แต่ที่จะใช้ภาษาโบราณก็ไม่ใช่เนื้อหามันจะเหมือนกันแต่ว่าภาษาจะต่างกันใครเขียนละ่ะกี่เล่มก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราต่างมันต่างที่สำนวนแล้วก็บางทีรายละเอียดไม่ไม่ไม่เท่ากันบางคนมีทุนมากก็ทำเส้นเล่มใหญ่เลยการใช้จ่ายก็เยอะหน่อย บางคนก็มีทุนน้อยแล้วซื้อแนวนี้ผู้ซื้อซื้อหาก็ซื้อกันน้อยนะฮะก็กลัวจะขาดทุนก็รีบเรียงเห็นว่าควรรู้เท่าไหร่ก็เขียนมาเท่านั้นเพราะเราก็อ่านจำนวนที่ต่างกั น, นการขยายหรือไม่ขยายในจุดนั้นก็แล้วแต่ ประการต่อไปนั้นเรียกว่าจุตูประพาตยานเป็นปีชาญที่ยังรู้การจุติการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายการเกิดการการตายการเกิดการตายการเกิดการตายกันเกิดของคนทั้งหลายว่ามันมีความแตกต่างกันแตกต่างกันมาโดยกําเนิดสถานที่ที่เกิดสกุลที่เกิดครอบครัวที่เกิด พ่อแม่ที่เรามาเกิดก็แตกต่างกันแดีวถ้าเรามีบุญมากพอเนี่ยสามารถจะเลือกได้อย่างที่พระโพธิสัตว์ทรงเลือกเลือกทวีปนะฮะเลือกทวีปเลือกประเทศเลือกอายุเ ล, เลือกชนกเลือกชนีะอะไรต่างๆเนี่ยท่านเลือกได้เพราะว่าบารมีท่านเยอะ แต่คนอื่นก็ก็จะเลือกมาหรือไม่เลือกเราก็ไม่รู้หรอกแต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้เลือกมาเพราะว่ากําลังเขาบารมีไม่มากพอไม่เหลือเฟือพอที่จะเป็นเหตุที่เลือกได้อย่างนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอีนี้มันจะท้อนไปสู่กระบวนการของกรรมที่จําแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประนิแตกต่างกัน ข้อสุดท้ายก็คืออาสวะขยานประยานที่เกิดผุดขึ้นเป็นแสงสว่างเต็มที่ภายในใจของท่านขจัดอาสวะซึ่งปิดกิเลส ท, ที่อยู่ลึกภายในใจของคนสามประการนะฮะสามสกุลที่จริงก็สามสกุลคือสามสายก็มาจากโลกกฎหลงนั่นหละ กามอสวะอสวะคือกามได้ แ, แก่กิเลสปีเหตุเป็นเหตุที่ให้จิตกําหนดอารมณ์ที่ตนสัมผัสด้วยความกําหนัดก็หมดไปเพราะว่าสวะอส ว, วะคือพบคืออยากเป็นก็ไม่อยากเป็นอยากได้ก็ไม่อยากได้นะก็กลายเป็นพวกความยินดียินร้ายก็สุขจัดออกไป กิเลสเป็นเหตุให้เกิดเนี่ยของพระพุทธเจ้าของพระอนุรักษจึงไม่มีเพราะว่าดับไปแล้วโดยอาสวะกยายนแดี๋ยวภพชาที่ท่านจะอุบัติมันก็ไม่มีนะเพราะเหตุแห่งภพก็ถูกดับไปแล้วเพราะทั้งหมดมันก็มาจากอภิชาสวะอาสวะคือวิชาความเคข้าความไม่รู้ความรู้ไม่ตลอดความรู้ไม่จริง รู้ไม่แจ่มแจ้งพอแรนนี่มันเกิดด้วยวิชาที่เป็นญาณเขาเรียกว่ากัตยาญาณรู้ว่านี่ทุกข์นี่เหตุเกิดแห่งทุกข์นี่ความรับทุกข์นี่ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความรับทุกข์เป็นญาณข้อแรกเรียกว่าสัจญาณรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไร แล้วก็เกิดกิจยานคือรู้ภารกิจที่จะต้องประพฤติกระทําต่อสิ่งเหล่านั้นปัตถุที่ควรกําหนดรู้ทุก ค, ควรกําหนดรู้สมุทยัยควรละนิโรธควรทําให้แจง้งมรรคควรเจริญและตัวที่ขาดจริงๆเนี่ยคือกัตยานรู้วัตถุทุก ค, ควรกําหนดรู้เราได้กําหนดรู้แล้วสมุทยัยสมุทยัยควรละเราได้ละแล้วนิโรดนิโรธควรทําให้แจง้งเราได้ทําให้แจ้งแล้ว มักที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้วแล้วท่านก็สรุปว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราทำเสร็จแล้วเสร็จกิจก็กลายเป็นอาเสขะคือจะไม่มีการศึกษาอีกต่อไปการศึกษาในลักษณะนี้หมายถึงการปฏิบัติพัฒนาศีลสมาธิปัญญาคือเพราะมันสมบูรณ์นะครับ การศึกษาด้วยการฟังด้วยการสนทนายังมีอยู่นะฮะการาศึกษาการฟังการสนทนาการซักถามปัญหาต่างต่างกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็นำไปถ่ายทอดนำไปแสดงคือที่น่าเคารพที่ถูกท่านเนี่ยคือท่านไม่แสดงเองอะ่ะข้อนี้พระพุทธเจ้าว่าไว้อย่างนั้นข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงว่าไว้อย่างนั้น ขนาดระษาริบุตรเน่ยคนถามปัญหาท่านท่านไม่ตอบก่อนถ้ายังไม่เคยได้รับคมตอบจากพระพุทธเจา้าก็กลับมากราบทูลพระพุทธเจา้าแล้วก็กลับไปตอบแต่ส่วนใหญ่ก็ท่านฟังอยู่เรื่อยแล้วก็กราบทูลถามอยู่เรื่อย คนก็มีเป็นนันมากที่ถามปั๊บก็ตอบปุ๊บเลยคือหมายความมาได้รับคำตอบมาจากพระพุทธเจ้าแล้วศา ส, สนาจึงสวยงามมากในพุทธสมัยไม่มีปัญหาอะไรเลยในด้านของทิชิตนะฮะในด้านของสีในด้านพิธีที่สีนี่ก็มีอยู่ธรรมดาแหละแต่ด้านทิธิไม่มีวิปริต แต่ไม่ใช่ร้อยเปรเซ็นต์นะฮะปุถุชนมันก็มีวิปรสติแลับเสร็จกิจนิเครียวกระตังกรณอย่างกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาปรังอิทั ต, ตายาติประชานาติติกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีแต่ท่านก็เล่าต่อไปว่าเราได้ถือการนั่งเป็นวัดมาเป็นเวลา5้าสิบห้าปี คือพนุรตันท่านิพพานหลังพระพุทธเจ้านะตอนพระพุทธเจ้ากำลังเข้ายานเพื่อจะไปเข้าฌานเพื่อจะไปนิพพานท่านก็เข้าฌานตามไปผู้เจ้าเข้าปฐมฌานท่านก็เข้าปฐมฌานเข้าตามไปเรื่อยผู้เจ้าถอยกลับท่านก็ถอยกลับผู้เจ้าย้อนกลับไปอีกท่านก็ย้อนกลับไปอีกผู้เจ้าออกจากฌานออกจากฌาน ที่4แล้วก็นิพพานท่านก็ออกจากฌานที่4ก็ดูการนิพพานของพระพุทธเจ้าจาจนานมากเก่งมากในเรื่องเหล่านี้พระเทระเยอะพระอราหันเยอะนะฮะอยู่ในที่เป็นนิพพานของพระพุทธเจา้าแต่ก็พอบทจะสอบถามก็ต้องสอบถามจากพระนรุก กำจัดความง่วงเหงาหาวนอนมาแล้วเป็นเวลายี่สิบห้าปีจนแสดงว่าในการเบิบัติของท่านก็ต่อสู้กับอาการง่วงเหงาหานอนนี้นานฮะยี่สบห้าปีนี้ก็ไม่ค่อยจะแน่ใจเพราะว่า ด, ดูแล้วคล้ายๆกับท่านบวชไม่นานแต่ก็บรรลุมรดผลเป็นพระอรหันต์ แต่ท่านมาบอกว่าตั้ง25ปีแต่25ปีเนี่ยยังไม่บรรลุฌานนะฮะหรือว่าในพบชาติต่างๆด้วยหรื อ, อยังไงคืนนี้ก็สรุปว่าไม่ให้รายละเอียดไว้ก็มีเรื่องจะแทรกแต่ว่ามันอยู่ในวินัยบิดกไม่ได้อยู่ในพระสูตร พระนุรสท่านเคยเป็นก็เรียกว่าอาธิก ร, รมิกะคือต้นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอาบัติบัญญัติสิกขาบทที่ห้ามภิกษุอยู่ร่วมชายคาเดียวกับผู้หญิงสองต่อสองตอนนั้นที่จริงท่านก็เป็นพระาราหันแล้วนั่นแหละ การกลับจากกรุงรากชกุศลไม่ใช่กลับจากกรุงกระบินลพัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ไปถึงบ้านแห่งหนึ่งเนี่ยมีบ้านว่างน่าจะเป็นฤดูหนาหรือฤดูฝนก็ไม่รู้แหละน่าจะเป็นฤดูหนาวมากกว่ากัานก็ขอพัก เจ้าของบ้านเป็นแม่ไม้สาวๆยังสวยก็ชื่นชมยินดีที่ภิกษุมาขอพักที่บ้านแต่เวลานอนจริงๆท่านก็แยกผู้หญิงก็แยกไปนอนอีกบ้านหนึ่งนั่นแหละแต่ทีรกก็อยู่ที่บ้านรูปเดียวแต่ตกดึกเนี่ยผู้หญิงมาหาท่านแต่งเนื้อแต่งตัวมาเรียบร้อยหรูหราทีเดียว แล้วก็ย่ออยู่บนท่านก็เรียกว่าทุกรูปแบบท่านก็เป็นพระหานางก็นั่งฟังนั่งดูเฉยๆก็ไม่ได้ว่าอะไรเสร็จแล้วเพื่อเธอได้สติแล้วท่านก็เริ่มสอนเริ่มแนะนําให้เกิดความเข้าใจให้รู้ว่าท่านเป็นใครมาจากไหนมีฐานะเป็นยังไงนางก็ละอายกราบขอโทษขอขามาต่อต่อพระเถระ ลุงเช้าก็ถวายพระตาหารอะไรเรียบร้อยนะฮะแล้วพระธีราก็ไปไปถึงก็ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็ตำหนิเอาคือไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นพระอานเราแลว้วก็ไปข้าวเล่าให้พระพุทธเจ้าสงสาบพระเจ้าก็ตำหนิเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นภิกษุสามัญเราจะทํำยังไง่ะ อนุรัน์ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเป็นภิกษุสามัญทำยังไงเมื่อเกิดอันตรายแกพรมจันทร์ได้ดังนั้นก็ทรงประรอบเหตุนี้ยทรงบัญญัติสิกขาบทภิกษุอยู่ในที่มุงบังกับผู้หญิงสองต่อสองโดยไม่มีผู้ชายที่รู้เลี้ยงสาอยู่เป็นเพื่อน ป ร, ประบบติประจิตตีประทมเหตุมาจากพระนรุตนะครับแต่เราจะเห็นถึงความบริสุทธิ์ของท่านรักษาตัวไว้ได้เรียบร้อยแล้วก็ไม่ปกปิด่างที่ท่านรู้ว่ามันพลาดไปแต่ท่านก็ไม่ปกปิดก็มากราบทูลให้พระพุทธเจ้าก็ส่งบัญญัติพระวินยัย ก็เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักสํานึกสำเนียกในเรื่องเหล่านี้มันเป็นข้างเป็นเรื่องที่เปราะบางและก็ง่ายต่อการจะเสียผู้เสียคนไปท้กฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี